ตอนนี้ไปก็ขอันดายท่านพู้ิบริษัทท่านหลายฟังคำแนะนำสักสิบนาทีเสร็จการปฏิบัติตอนกลางคืนนี้เป็นการปฏิบัติในหมวดข้อสุขวิบัสสโกและในการปฏิบัติในหมวดนี้ไม่มีทิศก์ุยานไม่สามารถท่องเที่ยวปฏิพบต่างๆได้สำหรับผู้มาใหม่ แต่สำหรับท่านที่ปฏิบัติเก่าแล้วที่ได้มโนยิธิท่านก็มีสิทธิใช้สามารถมโนยิธิไปในสถานที่ต่างๆมีพระนิพพานเป็นต้นได้ตามอธิายาายและก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นสำหรับท่านที่ได้มโนยิธิแล้วหลังจากนี้ไปขบันดาท่างพุทธวิศัชนรหลายทั้งที่ได้มโนยิธิแล้วก็ดีเคยปฏิบัติใหม่ก็ดี ใช้ปัญญาในด้านวิปาาัสนาญาณพิจารณาร่างกายและความเป็นจริงซะก่อนนั่นก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรเหลือคนที่เกิดมาทุกคนสัตว์ที่เกิดมาทุกตัวต่างคนต่างก็ตายหมดวัตถุธาตาุต่างๆในที่สุดก็พังเช่นเดียวกัน เป็นอาวุธโลกมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแท้จริงของเราเราเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่อยู่นานไม่ได้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ท้ายที่สุดเราก็ตายในช่วงที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ก็หาความสุขไม่ได้จริงๆเลยตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความทุกข์ต้นมาจากการทนได้ยาก คืออย่างความหิวเราทนไม่ได้แต่เคืนทนก็มีทุกขเวทนานหนักความหิวก็เป็นทุกข์การปฎิจา ร, ประปัสสวะทนนานก็ไม่ได้ถ้าทนได้อยู่ได้ยับยั้งได้ก็ต้องทนดังนี้ก็แปลากายเขาความทุกข์การหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็แปลกอายเขความทุกข์ความป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นก็แปลกอายเขความทุกข์ ความแก่เกิดขึ้นก็เปรียกกายเขาความทุกข์ความพัดพลาดของรักของชอบใจเกิดข <It> ึ <ร transparency S 3> ้นก็เปรายกกายเขาความทุกข์ความตาถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นก็เปรียกกายเขาความทุกข์อาการที่จะตายมีทุกขเวทนานว่าก็เปรียกกายเขาความทุกข์ก็รวมว่าความทุกข์ที่มีอยู่นี่เป็นความทุกข์ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่มีร่างกายประเภทนี้เป็นมนุษย์เราจะไม่มีความทุกอย่างนี้รวมความอา ก, การเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติจะ ก, กี่ชาติเขาตามเราไม่มีความสุขคนอันดับสูงของประเทศตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาและตอนดับต่ำที่สุดทั้งยาจโจกเขินใจก็มีความทุกประเภทนี้เสมอการ <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็ไม่พ้นความทุก ต่อไปเราก็ลองมาคิดถึงเทวดาด้วยผมการเกิดเป็นเทวดาด้วยผมมีความทุกข์ด้วมีความสุขเมื่อแท้จริงๆแล้วเทวดาก็ดีผมก็ดีมีความสุขมากแต่การอยู่เป็นเทวดาด้วยผมอยู่ไม่ได้นานถ้าหมดปุณปาสนาบารมีเอะไรก็รบต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตย์ฉันบ้าง ต้องสเสวยความทุกข์อีกฉะนั้นดินแดนเราสามดินแดนนิดหน้าจะไม่เป็นที่พอใจของเราคือเป็นดินแดนที่มีความทุกข์ดินแดนที่มีความสุขมีดินแดนเดียวคือพระนิพพานสําหรับพระนิพพานในใครไปเกิดที่นั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายมีแต่วความสุขอย่างเดียวน่ารมหนักใจนิดหนึ่งไม่มีเป็นยอดของความสุข เป็นที่ปรารถนาเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาแต่พทตุทธบริษัททุกคนไปที่นั่นและก็การเกิดวิทวดาและพรมบรรดาแต่พทตุทธบริษัททั้งหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วทั้งหมดเคยเกิดวิทยวดาและพรมมาแล้วทั้งหมดทุกคนถ้าท่านไม่เคยเกิดวิทวดาและพรมเพราะว่าท่านไม่เคยบำเพ็ญบา ร, รมีมันอย่างหนักในใจก่อน ทุกคนก็ไม่มีความปรารถนาในการเจริญพระกรรมฐานคนที่ต้องการเจริญพระกรรมฐานนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องมีบารมีเป็นอุปบารมีหรือปรมาทบารมีสำหรับพวกท่านอยู่ที่นั่งยุดนี้ถ้าบุคคลใดมีความปรารถนาพระนิพพานเป็นที่ไปท่านผู้นั้นมีบารมีเป็นปรมาทบารมีและก็มีโอกาสจะสามารถปฏิพันธ์ได้ในชาตินี้ วิธีปฏิบัติเนิภอผ่านบรรดาทานพุทธบริษัทอันดับแรกขอทุกท่านเคารพสิ่คือเคารพพระไตรสนาคมก่อนหรือก่อนที่จะเคารพพระไตรสนาคมก็ต้องคิดว่าชีวิตเราต้องตายความตายเป็นของเราแน่ตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสกับเบสการี ว่าเธอท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพวกนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะเึงเราวันนี้ว่าเสมอถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติความดี เพราะว่าถ้าตายวันนี้ถ้าตายเมื่อไรก็ตามเราจะไปนิพพานทันทีตั้งใจไว้อย่างนั้นกอนที่จะไปนิพพานได้จริงๆก็คือหนึ่งที่ตัดโลภะความโลภด้็นการคิดจะให้ทานเที่ยวกาศมีแล้วก็ให้เป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะไป น, นิพพานก้าวที่สองส่งศีลให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้า ทรงให้บริสุทิ์ไว้ข้อดีสามเคารพพระใจศานาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นกำลังใจไม่ปล่อยให้การในสีจิตฝังไว้อย่างเดียวคือนิพพานสำหรับการภาวนาวันนี้บรรดาท่านพุทธบริสัทสุขราชรสกโกไม่ตอนเริ่มต้นนี่ไม่บังคับการภาวนา ท่านพูนใดภาวนาคล่องอย่างไหนมนแล้วให้ไปให้ภาวนาอย่างนั้นไม่ต้องกลับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ท่านที่พร้อมที่จะเริ่มโนยิธิคอยภาวนาว่านะมะปะทะที่เวลาให้ใจเข้านึกว่าณมะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะเวลาให้ใจเข้าให้ออกจุนยาบังคับลมให้ใจปล่อยให้ใจไปตามปกติเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้เราให้ใจเข้านึกตามวณมะ เวลานี้เราให้ใจออกในตามอภาตตาวันนี้ก็จะปรารบห่วงอรมณของปโสดาบันสิกิธาคารมีท่านผู้ดายเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปก็เลิกไม่ต้องตกเป็นสั์นรกเป็นเปรตปราุรายเป็นสติฉันอีกบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผล มีอย่างเดียวเราเกิดปเป็นโจดาหรือผมต้องไปพันิพาลคาว่าประสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสพันิพาลเมื่อถึงกระแสพันิพาลเข้าเขตพันิพาลแล้วลไม่กลับถอยหลังอีกและคนที่เป็นประสดาบันก็มาฐานไม่เสียมิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นประสดาบันก็คืนหนึ่ง เคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอาาริยสงฆ์ด้วยความมั่นใจไม่เสียย่ยมใครไม่สงสัยในความดีของท่าน <c oughs> ราการที่สองส่งสินให้บริสุทธิ์ราการที่สามไม่ลืมความตายคิดว่าเราจะตายไม่ได้ก็ตามในเมื่อเรามีพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอาาริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ที่สินห้าเป็นเครื่องป้องกันอบายภูมิเราตายเมื่รัยขอปานิพันธ์เมื่อ น, นั้นอย่างนี้ท่าหนหลายตายมารัยจะปานิพันธ์ทันทีก่อนจะปานิพันธ์ก่อนจะตา ย, ตายวันนั้นจะเป็นพระอาหารหังก่อนต่อไปนี้ไปก็จะพูดทังอรมณ์ของพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีนี่ก็ตัดทั้งโยตได้สามเหมือนกันเท่าพระโสดาบัน แต่มีจิตใจในเอีกว่าสัญญอย่่ข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราจะตายไม่ได้ก็าตามเราขอปฏินพภาณสัญญอย่่ข้อที่สองมีความรู้สึกตามความเป็นจริงเราและขอยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่สงสัยในคําสอนและในตัวของท่าน ขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพร ะ, ะอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตด้วยความมั่นใจแล้วข้อต่อไปพร้าศีริทาคามีละคือเราทรงไว้ซึ่งกำหดสิทธิคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติ ผ, ผิดทางไม่พฤติ ผ, ผิดในกามไม่ละเมิดกามม า, มารมุมไม่ทำกรรมเมีนี่ทางกายแยกรรมทางกาย ทางวาจาพระสุคิธาคามีละสีอย่างคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบให้เขาสะเทือนใจสี่ไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกรล่ากันภาานะแล้วก็สี่ไม่พูดไม่พูดวาจาเหลยวไหลไร้ประโยชน์คือพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์นี่ทางวาจามีสี่คือไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์สำหรับด้านจิตใจจิตใจไม่คิดอยากจะได้ทรัพย์สมัยเขาว่าคนอื่นใดมาเป็นของตนยินดีเพาะทรัพย์ของตนีิหารได้โดยชอบธรรมและก็สองไม่พยาบาทจองล้างจองผานบุคคลอื่น คือบันเทาความโกรธโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างไม่จองฝลางไขไม่พยายาบายไขยโรกรธแล้วก็แล้วก็ไปเลิกแล้วเลิกโกรธแล้วก็เลิกกันไปไม่จองเวนจองกรรมและก็สามทำจิตใจมีความเห็นให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริงคือยอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงแตยความตายเป็นของเที่ยง เราจะไม่คิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไปเสมอเพื่อเป็นการป้องกันอันบายภูมิขอยึดพระพุทธเจ้าเพืรร่อทำและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพตลอดชีวิตในี่ะต่อไปเพื่อป้องกันไม่ลงอันบายภูลต่อไปตัดกาลังบาป ท, ทั้งหมดที่สร้างมาแล้วไม่ให้บาปมีโอกาสให้ผล คือหนึ่งไม่คิดและไม่ทำจะฆ่าสัตว์สองไม่คิดและไม่ทําในการลักทรัพย์สามไม่คิดและไม่ทําในการละเมิดการในสมัยท้าาจารย์สี่ไม่คิดและไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคํหยาบไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ได้ประโยชน์ และก็ห้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบคนอื่นใดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทำและก็หกไม่โกรธไม่พยาบาทจองล้านจองฐานบุคคลอื่นยังมีโกรธบ้างแลวก็เจดทำความเห็นให้ถูกในความเพียงมาสิทธวาจาจว่าเป็นหนึ่งไปแล้วรวมแล้วก็สิอย่าง พอบันดาแต่พุทธบริษัทหลายเวลาที่ครูให้สัญญาธรรมปฏิบัติท่านจะใช้ภาวนาว่าอย่างไงก็ได้หรือจะไม่ภาวนาเลยจะคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายเราตายแน่จะตายมาเมื่อไรก็ไม่ทราบไม่ต้องเครงความตายก่อนจะตายคิดยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และต่อมาก็พิจารณาว่าก็มามดทั้งสิปราการ มีข้อไหนบ้างที่เรายัางทําไม่ได้เราจะระมัดระวังสิขาบทข้อนั้นให้ทําได้ให้ทรงตัวที่ไหนปฏิบัติได้แล้วก็ปฏิบัติให้ทรงตัวไม่คลายเคลื่อนพิจารณาอย่างนี้ตลอดไยจนกว่าจะหมดเวลาก็ใช้ได้่็ออยังดีใหญ่ยิงคิดว่าความตายจะถึงเรามาอะไรก็ตามเราต้องการปณิพานเหมือ น, นั้นเทาดับบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะพวกก็จะหมดแล้ว ตอนนี้ไปข้อเตือนสาวว่าก็องสมเด็จพระบัณฑิแก้วการที่จะภาวนาพิจารณาตอนที่ภาวนาพิจารณาตามนั้นก่อนต่อไปก็กำหนดรูล้ลมหายใจก็ออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามเวลาให้ใจออกภาวนาตามถ้าท่านที่มาใหม่ไม่เคยภาวนาไว้เลยให้ใจเข้าจะนึกว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโทก็ได้เพื่อว่าจะฝึกมโนจิติในตอนกลวัน เวลาให้ใจข้าคนนึกตามวนะมะให้ใจออกนึกตามอภัต <c> ต <oughs> าเวลาภาวนาอยู่ร่างกายจะเป็นยังไงอย่าสนใจกับร่างกายคืออาการง้ปีติคืนหนึ่งคุณพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครสี่ตัวลอยมืออากาศห้าเมฆาส า, สาบสันทั้งหมดนี้จะเกิดยังไงก็ช่างอย่าสนใจสนใจมีแค่ใจสบายก็แล้วกัน ตอนนี้ไปขบมนดาทรรพุทธบริษัททุกท่านเริ่มปฏิบัติได้รับตแต่เวลานี้ไปจะให้เวลาไว้สามสิบนาทีเมื่อสางเถึงสามสิบนาทีอาจารย์พระโคกมจะให้สัญญาณเลิกจเดินไปกรรมฐานตอนนี้ไปขามนดาทรรมพุทบริษัทเริ่มปฏิบัติได้ตามมัธยาสายัย